เหตุไรจะขู่วิญญาณจึงเกิดก่อนโมโนวิญญาณจึงเกิดทีหลังกิ่งปะณะหรือว่าสั่งเสียให้กติกาสัญญากันไว้จะขู่วิญญาณบังคับบัญชาไว้กับมโนวิญญาณว่าอัตมาจะไปเกิดก่อนท่านจงไปเกิดทีหลังหรือว่ามโนวิญญาณสั่งจะขู่วิญญาณว่าท่านจงไปก่อน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 ก็ไหลไปสู่ที่ลุ่มนั้นพระนาคเสนจึงมีเถรวาจาว่าขอถวายพระพรฉันใดก็ดีจะขู่วิญญาณเกิดที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดที่นั้นเหตุว่าไหลไปสู่ที่ลุ่มเหมือนธาราน้ำฝนอันไหลไปสู่ที่ลุ่มนั้นสิน้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ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 เปรียบปานดุดปัจจันตะนครเมืองต่อแดนชนแดนกันมีกำแพงเชิงเทินหอรบแน่นแฟ้นสำหรับรบราชสัตรูแต่เมืองนั้นมีประตูประตูเดียวก็ยังมีบุรุษผู้หนึ่งปรารถนาจะเที่ยวไปนอกพระนคร น, นั้นจะออกไปทางไรพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสบอกไปว่าบุรุษผู้นั้น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 นิมนต์กระทำอุปมาให้โยมสิ้นสงสัยก่อนพระนาคเส์จึงอุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเปรียบานดุดคนมาเรียนเลขนับอ่านและเรียนวิชาการต่างๆแรกกระทานั้นยังไม่ชำนิชำนานก็ยังขัดขวางในที่จะคูณหารครั้นานมาก็คล่องว่องไวนักหนา